นี่เป็นวันที่31 e. มีนาคม2550วันพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาตรงกับวันอาทิตย์พรุ่งนี้เช้านะฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็คงจะเ ก, กอะใบสมัครห น, ก น, หออหนกหักคุณหมอคำานักเดขาจภาตาตมลนายู จะบวชวันพุ่งนี้ฉัน จ, จังหารเสร็จนะประมาณ9้าโมงก็เตรียมพร้อมละพระอุปชาคงจะลงมาแล้วก็คงจะเตรียมการบวชหลวงพ่อว่าน่าจะก่อนเที่ยงนะน่าจะจบทุกอย่างอะไรกปรงผมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคงจะไม่มีพิธีอะไรบวชแบบพระกรมฐานบวชพระกรมฐานไม่มีพิธีลีตองมันม่มีการเฮนโอง่งเฮนา เราจะแห่ทาไมถ้าเราบวชตามแถวแถวที่พระพุทธเจ้าพาบวชเหตุไหมพระพุทธเจ้าขึ้นขี่ม้ากํานายชนะขโมยหนีอีกต่างหากไปอยู่ในป่านั้นไม่มีใครตามมีแต่นายชนะนั่งม้าไปด้วยเกาะหลังม้าไปด้วยไปอยู่ในปานน่านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดูให้ดีแล้ว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 ดึกดอกอใหม่ว่างั้นค่ะอะไรมันก็ขาดเรือขาดตกคุณแม่ท่านก็เลยช่วยนี่แหละพวกของกินของใช้ตามที่ท่านมีท่านก่นเล่นแค้นอยู่แล้วเพราะท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่สมัยนั้นญาติวงก็ยังไม่เป็นฝึกแผ่นยางแจกทุกวันนี้แต่ละวัดท่านก็เขียมเขียมเหมือนกันแต่ท่านก็ยังเจียดมาให้ว่างั้นค่ะแหมพวกน้ำปุง๋งน้ำปลาอะไรท่านก็ยังเจียรมาให้เราเนี่ยนะ ถ้าจะว่าไปแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณสําหรับวัดเราอันหนึ่งนี่แหละคำว่าบุญคุณตัวเนี้ยควรจะทดแทนควรจะชดใช้ควรจะทดแท น, ทแทนบุพภากรีบุคคลผู้มีอุปการะกรอกตัญญู ก, กะตะเวทิตาเมื่อที่ท่านไปทํามาแล้วเราก็ควรตอบแทนบุญคุณท่านอันนี้ก็ถึงกล่าว อายุสังขารอายุ80ดิกว่าปีทันกรมรนาภาสิ้นลมในวันนี้นี่แหละอันนี้เป็นวายมมทโทบอกข่าวพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะอยู่อย่างนี้กว่าเถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่มีผู้ใดที่จะแวกหนีออกไปจะไม่ถึงจุดจบ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 เพราเราไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเราคิดไว้ก่อนว่าเราอีกสักวันหนึ่งนะต้องไปตามที่เขาบอกตามที่เขาพาไปเราคงจะหลีกลี่หนีไม่พ้นแน่นอนถ้าเราได้คิดไว้อยู่เสมอนะมรณ ะ, ะเมพาวิสตินะระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมออันนี้แปลว่าถึงคราวตัวเองถึงคราวถึงตาตัวเองก็ไม่สะทกไม่สะท้านไม่หวั่นไหว เพราะได้คิดไวแล้วถ้าเราไม่ได้คิดไวล่วงหน้าเราจะทำอะไรไม่ถูกในเมื่อจุดนั้นมาถึงเพราะนั้นท่านถึงให้คิดไวอยู่เสมอแต่บางคนก็ว่ามีอะไรก็มีแต่เอาความตายมาขู่กันเอเอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาว่ากันเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจเศรืมเศร้าเศร้าหมองไม่เบิกบาน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 เราจะไปทานมันทาไมเนี่ยมันจะได้เหรออ่ทั้งที่ทานเข้าไปก็เป็นอุจจาระทุกครั้งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นภาละอีกต่างหากเราจะไปทานมันทาไมเนี่ยถ้าไม่ทานมันก็อยู่ไม่ได้อ่ในเมื่อเราเกิดมาจากนี้สถานะอย่างนี้นะเราก็ทำให้ดีที่สุดถึงมันจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะเพราะมันไปเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทานอาหาร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 สูงสภาพแต่จิตใจท่นีจิตใจคือนามธรรมคือตัวผู้รู้เนี่ยตัวนี้ไม่ตายพอร่างกายจุดลมหายใจวิญญาณก็เขย่าตัวร่างกายพยายามกระเสือกกระสนพยายามดูใจดูกายของตัวเองมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเอางั้นเอะออกจากร่างไปก็เหมือนกับรถเนี่ยนะ รถมันหมดสภาพแล้วไงแอบลูกสูบก็ติดยางก็แตกแอบคาบิวก็เสียเจ้าของขย่าไปขยับมาไม่รู้จะซ่อมตรงไหนมันเยอะเกินไปงั้นะสู้ไม่ไหวเอเพราะว่ารถคันนี้มันมันเสียหายแหละตามันก็บอดหูมันก็สภาพตัวไหนเสียหายหมดในรถ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 ถูกแดดถูกฝนผนที่สกกุดยุบย่อลงไปสนิมเกิดไปหมดเพราะคนไม่ได้รักษาอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราก็เหมือนกันพอใจออกจากร่างทีนี้มันก็หมดสภาพเอพอาะใจไม่ได้อยู่ในร่างแล้วใจออกไปจากร่างแล้ร่างกายนั่นก็จะต้องผุสลายเหมือนกับรถ น, นะนะคนขับรถที่ใช้รถหนึ่งต้องหนีไปหาคันอื่นเลย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 เราสั่งสมดีแล้วเรามีบุญเหมือนกับคนมีรถเนะ่ยโซเฟอร์มีเงินมากันแต่โซเฟอร์มีกระเป๋าเงินมีทองมีทองมีเงินเตรียมไว้แล้วทางรถคันนี้เสียก่อนเอาเงินไปซื้อคันใหม่เอี่ยมกว่าเก่าดีกว่าเก่าสภาพาใหม่กว่าเก่ายี่ห้อสูงกว่าเก่าเพราะเหตุไรเพราะโซเฟอร์นั้นได้เตรียมไว้แล้วว่า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 ปรารถนาอย่างนั้นเอาไว้เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเดินโยมบั่งนั่งสมาธิภาวนาพิกจิตพิกใจดูจิตจ ด, ตดูใจของตนเองตั้งอยู่ในให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวล่วลาําอันนี้แปลว่าเป็นผู้สั่งสมเงินคําทรัพย์สมบัติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและอีกสักวันหนึ่งเมื่อเราออกจากร่างนี้เราก็มีสมบัติเต็มกระเป๋าเราจะไปที่ไหนก็ได้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 ผลที่สุด ก, ก, ก็เลยย่ำตอกงันบิน ญ, ญาณก็เลยเป็นอสุรกายเดินด้วยหิวการหิวโชว์ป่วยใจว่างั้นะจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินที่จะไปผลที่สุดก็เลยมกปนเวียนอยู่กับปวงสาคนาญาติใครทําบุญนี่ไหนก็ไปไปคอยเขาถ้าเขาอุทิศส่วนกุศลให้เอาใจรับถ้าเขาไม่อุทิศส่วนกุศลให้ก็ แปลว่ไม่ได้รับการที่เขาทําให้นีก็ได้บางเสียบางไม่เหมือนตัวเองทําเองอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าประมาทนะตายแล้วไม่ศูนย์ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์ อ, ออกมาแล้วท่านเห็นแล้วท่านจึงได้เอามาพูดมาสอนพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ไม่สงวนลิขิตนะแห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 อันนี้ก็คือที่หลวงพ่อไปเห็นในวันนี้มรณ ะ, ะเมยภาวิสติท่านตายเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นคนตายต่อไปแล้วก็ต้องเอาไฟเผาเลยจุดไฟเผาเป็นเท่าฐานต่อไปแปลว่าหมดชีวิตหนึ่งต่อในคนคนหนึ่งอีกสักวันหนึ่งเราก็คงจะตาย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 หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดนะที่พูดมาเนี่ยพูดตามความเป็นจริงจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นแหมไม่ได้ขูกไม่ได้เข็นไม่ได้ยกเมกมาพูดไม่ได้โกหกมาพูดพูดตามความเป็นจริงอคนเราเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้ก็คือมรณงเมเที่หลวงพ่อไปเห็นในวันนี้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความกตันอยู่ ความกตัญญูกตเวทีตาต่อบุคคลที่ทําให้เกียรเราอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นเรื่องจิตเรื่องใจจริงๆอันดับแรกก็คือพ่อแม่พ่อแม่ของพวกเราที่ได้เลี้ยงดูเรามาด้วยการทะนุถนมจนพวกเราใหญ่ถึงขนาดนี้แหละได้เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นมดเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นเจ้า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 เหมือนกับอะไรตัวเองมาเกิดอแล้วพ อ, เ, อเหมือนกับพ่อแม่เนี่ไม่อยากจะให้ตัวเองเกิดตัวเองกลับมาเกิดอแล้วคาว่ามาเกิดแล้วที่พ่อแม่เลี้ยงดูไม่คิดไม่เห็นจุดนั้นนะคิดไม่เห็นเพ่อเหตุไรถ้าจะว่าไปแล้วลูกของคนคนนั้นโง่อ่า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 ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรามีลูกขึ้นมาเราก็ต้องพึ่งพ า, าอาศัยเขาเพราะตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเท่าเกศชลาแล้ว น, นี่แหละไอ้เรื่องบุญคุณเหล่านี้พราะพุทธเจ้าท่านเน้นหนักแต่ขนาดการเป็นอยู่ออกจากพ่อแม่แล้วก็เมื่อใหญ่ขึ้นมากับคู่ครองนขนาดคู่ครองพระพุทธเจ้าก็ยังสอนนี่คือสามีพัญญานี เฮียามีพัญญาพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้ระลึกถึงบุญคุณต่อกันเมื่อเขาทําคุณให้แก่เราเราก็ควรจะทดแทนบุญคุณเขาในมีใ น, ในชาดกหลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในชาดกหลวงพ่อเขาหน้าคิดเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสอนอุบาสกอุบาสิกาสอนคราวาสญาติโยมที่ก็มาเกี่ยวข้องวันหนึ่งตอนบ่าย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 เหมือนกับศรัทธาญาติโยมมาวัดเราอย่างนั้นน่ะถ้ามาใกล้นะก็เขามาไปเขาไปกราบคารวะพระพุทธเจ้าสองสามีพัรยาก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามพัรย า, อาของพรามนันบอกว่าเป็นไงอุบาสิก า, าสามีให้ความเมตตาอยู่เหรอสงฆอดีอยู่เหรอ ช่วยเหลือสเคราะ์ดีอยู่ใช่ไหมคือท่านถามสารสุขสุขติดของครอบครัวงั้นทางอุบาสิกานั้นก็บอกว่าสามีของหม่อมฉันโดยมากจะไม่มองจะไม่เห็นคุณงามความดีของหม่อมฉันเลยพระเจ้าค่าอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยเดินทางมาด้วยกันเหนื่อยเนื่อยเดินทางมาด้วยกัน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 เอาขึ้นมาให้ดื่มหน่อยนะป่ะเดี๋ยวเราเราจะนั่งคอยออพอดิฉันลงไปตักน้ําสามีของฉันกิกนกินเฮี่ยย่างทอนนั้นหมดคนเดียวเหมือนันเถอนนะขนาดสองสามีไปด้วยกันนะนยังเอาเปรียบพัญญาเหมือนกันเถอะกินเนื้อเฮี่ยหมดคนเดียวแล้วขึ้นมาขึ้นมาฉันขึ้นมาหมอมฉันขึ้นมาและยังพูดดีว่า เหี้ย er, ที่ห่อในใบตองนั้นน่ะมันวิ่งของป่าเนี่ยฉันจับหามมนได้หางขาดคามือของของผมนี่แหละนี่จะหางมันเหมือนกันแต่ตัวมันมันวิ่งไปแล้วพรนยาก็รู้แล้วแบบสามีกินเหี้ย er, ย่างมันจะวิ่งได้ยังไงใช่ไหมแหมแต่พรนยาก็ทําใจเหมือนนไม่โกรธไม่อะไรแต่ก็อยู่ในใจทํางั้นบอกว่าเออถ้าเนื้อเหี้ย ที่ย่างสุกแล้วมันวิ่งได้เออไมันเป็นอะไรไปมันไปไงมันไปซะคือพัญญาเนี่ยมีน้ําใจเฮ่อพระพุทธองค์เรได้ยินอย่างนั้นพระพุทธองค์บอกว่าอุบาสิกาเฮ่อสามีของโยมเนี่ยเคยมีมาแล้วนะในอดีตชาติไงนางนั่ก็เลยทั้งสองสามีพัญญาก็เลยกลาบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่ง พระเจ้าพมทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีว่างั้นนะสองสามีสามีเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าแผ่นดินเป็นฟ้าชายว่างั้นเถะ่นี้ก็ได้แต่งงานกับพระวรชายาเนี่ยจากนั้นเห็นพระบิดาเห็นว่าลูกชายเนี่ยดูดูดลําสมัพกพรรคพวก มีบริษัทมริวานมากก็สงสัยว่าลูกชายจะย่างราชสมบัติหรือเปล่าก็เลยเรียกลูกชายมาบอาเอาเอลูกพ่อยังครองราชอยู่นะให้ลูกออกไปอนอกประเทศก่อนนะในเมื่อมีโอกาสยังค่อยเข้ามาเมื่อข้อสวรรคตแล้วลูกยังค่อยเข้ามาเมื่อได้ยินข่าวนะลูกออกไปข้างนอกก่อน ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีในการปกครองลูกชายก็รู้ว่าพระบิดาลักษณะเชื่อว่าไม่ไว้ใจลักษณะอย่างนั้นก็เลยพาพระชายาเนี่ยเดินป่าก็เลยไปอยู่ในป่าก็เลยทำตนเป็นลือสีบวชเป็นลือสีทางปัญญาเนี่ยคือถ้าไปอยู่ธรรมดาเนี่ยเป็นพิษเป็นภยัยแต่นทำตนเป็นลือสีซะเ เป็นปนปอนแบ น, นั้นอะอยู่ในป่ารงก็อยู่ด้วยกันเอ่เป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยกันพอทราบข่าวว่าพระบิดาสวรรคตสองสามีก็มาเดินทางเข้ามาเพื่อจะรับราชสมบัติพอมาเ ข, เข า, เ, าเขาก็เอาเขาก็เอาเฮี้ยนเอ่อถวายแบบนั้นเปัญญาก็ถือมาผลที่สุดว่าสามีก็กินกินเฮี้ยอย่างเก่าแต่ในชาตินั้นแบ น, นั้น คนเคยกินเฮี้ยเคยกินเฮี้ยเนี่ยเพราะนั้นพวกเราจะไปกินอะไรลนะใครเคยกินปูนกินเหล็กก็คงจะกินอย่างนั้นมั้อกินดุกกินยาคงจะเป็นอย่างนั้นไอ้เนี่พระราชาเคยกินเฮี้ยมาชาตินี้ก็ยังกินเฮี้ยกินเฮียย่างอีกว่างั้นเถอะพอจากนั้นอพอกลับมาไปถึงแห่งหนึ่งก็บอกให้ปรญญาลงไปตักน้ํา พระราชาก็กินเฮี่ยมดอีกเหมือนกันเถอะพอ ก, กินแล้วบอกว่าโอ้เฮี่ยตอนนั้นมันวิ่งเข้าจอมปวกไปแล้วตามไม่ทันเหมือนนั้นพัญญาก็รู้แล้วอ่ะสามีกินเนื้อเฮี่ยเออไม่เป็นไรไอ้กินแล้วก็แล้วไปเอ้มันไปแล้วก็แล้วไปแล้วนะจากนั้นก็สองสามีก็เลยเดินมาจากนั้นก็ได้รับอภิเษกได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันเถะ กุลงพลันสีก็เลยตั้งพระชายา เ, เป็นอัคคมเหสหีพอต่อมาทีนี้พอเป็นอัคคมเหสีพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์อัคคมเหสีของตัวเองปล่อยปละละเลยเหมือนกันก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยได้ครับไม่ได้สงเคราะห์แต่มีอํามาตย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ตาแหลมเหมือนกันเป็นผู้มีปัญญาเอะราชานีพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ย ทั้งที่ไปอยู่ป่าดงพงไพยมาด้วยกันแต่พอมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชสมบัติแล้วน่าจะเ ล, ะลืเลือถึงบุญคุณของพระแม่เจ้าแต่นี้พาลราชายังเฉยก็ไม่ได้ให้สงเคราะห์ อ, อะไรอีกอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเข้าไปขอเราจะไม่ได้ทำพิธีทำพิธีให้ข้ามทำเรื่องเขึ้นมาวันนั้นก็เลย มีทั้งอัคคะเมเศสีมีทั้งพระราชาประทับนั่งอยู่ใกล้กันอามาตย์คนนี้ก็เลยข อ, ข, อขึ้นว่าพระแม่เจ้าหมอมชันเข้ามาในเพียงในวังเป็นเวลานมนานพระแม่เจ้าไม่เคยประทานสิ่งของให้พวกหมอมชันเลยเออพระแม่เจ้ามองหมอมชันเป็นอย่างไรจึงไม่ได้ประทานสิ่งของอะไรให้พวกหมอมชัน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 ดูแลพระองค์ท่านแต่พอมาถึง เ, เดินทางกลับมาทั้งที่หิวแสนหิวพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังกินเหียาหาว่าเฮี ย, ยพิ่งเข้าจอมปวกแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วท่านก็ยังมองไม่เห็นคุณงามความดีของหม่อมฉันอำมาตย์ก็เลยทูลต่อหน้าพระราชาว่า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 โลกไปนี่มันไม่แคบมันกว้างขวางอยู่พร้อมที่จะไปสดแสวงห า, าในส่วนที่เป็นที่เพิงปรารถนาของตอนเองยังได้อยู่พระราชาได้ยินอย่างนั้นเข้ามาก็ะสะตุ้งแล้วงั้นเอะเออใช่เราลืมหลงลืมลืมและลึกถึงพระกรมเฮสีของเรา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 เมื่อหลบไม่หลีกไม่พ้นแล้วเราควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดล่วงหน้าไว้ให้รบกครสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกหลักพิสูจน์นั้นพระพุทธเจ้าไม่สมหวังฤกษิ์ครูบาอาจารย์ไม่สมหวนลฤกษิตท่านแนะนําาการพิสูจน ต, ต้องทําอย่างนี้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 มรณะนะคือความตายเนี่ยจะต้องอคืบคลานเข้ามาหาเราไม่วันใดเขาวันหนึ่งพวกเราจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนแต่ก็สําคัญเขาขอให้พวกเราเตรียมสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกในการเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นความ สงบสุขเรื่ความสีวิไลหรือว่าความปรารถนาที่ว่า เ, เป็นที่พึงพอใจในการเกิดเห็นแต่สุขเล็กๆน้อยน้อยแต่สิ่งที่จะตามมานั้นมหาศาลคือความทุกข์เพราะฉะนั้น พ, อพอระพุทธองค์จึงไม่ไว้ใจหาหนทางที่จะไม่หมาเวียนไหวาตายเกิดอีกคือแวกออกไปเหมืั้นแหะแวกวงเหมนนั้น ไม่อยู่ในวัดตะบนแวบวงออกไปนี่แหละชำละตัวเชื้อที่จะมาเกิดนั้นคืออะไรเชื้อที่นําให้มาเกิดพวกปุ่นเวียนที่จะมาเกิดนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านค้นพบคือกิเลสราคะความกําหนัดกินดีโทสะคือความโกรธโมโหโทโสความหลงคือความมัวเมาลุ่มหลงมัวเมา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 โลกดึงดูดไม่ถึงนะแปลว่านิพพานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานังปรามังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานศูนย์คือศูนย์เชื้อเชื้อคือที่จะทําให้เกิดนั่นคือกิเลสราคาโทสะโมหะมันศูนย์ญเหงือนกันยังเติวมีแต่ความสุขเท่านี้เมื่อมันศูญเชื้อละที่จะทําให้เกิดแล้วนี gone, source, lions, ่ถ <introductions> ึงน <entes> <ESE> ิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ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 อหอยุตินอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินั่นที่นี่นะ